ยังเต้นจิตดงเดินถึงแดร้อนหนึ่งเหนื่อยเหนือเข้าไรก่อไปลำบากยากเย็นทางกายทางใจมี่คืคนที่หนมีบุญมีผู้สนขณะผิอยเขาทังทั้งจิตเขาอยากสุกอยากสบายแต่เขาก็เป็นไปไม่ได้บางคนเกิดมาก็ออวัยวะไม่สมประกอบ ทั้งแท่นศิเข้าในป่าเถนะบิดามานดาเข้ป่าเถนะแต่บุญกรรมของเขาถือทามาอำนวยให้เป็นไปอย่างนั้นตรงรองกว่าคนไม่เคยทาบุญทิ้นทานเอาไว้เป็นคนไล่ทรัพย์อับปัญญาถึงมีอใจมีใจเหมือนมนุษย์เราธรร ม, มาดาแต่เขากลัไล่ทรัพย์แสวงหาเท่าไรก็ไม่สวมปาเนะให้ บัรดาที่จะแสงะวงหาก็ไม่เกิดไม่มีคิดว่าหาอันนี้มันจะได้แต่มันขิดไปขาดไปไม่สมหวังมีหมายถึงผู้ที่ยัน่ายตายเสียเคยยังไม่หมดจากกิเลสตัรหาภายในใจยังไม่บริสุทธิ์จะท่องเที่ยวอยู่ตลอดไปเมื่อไม่มีบุญกุศลไม่สะสมบุญกุศลเอาไว้ ไปทางหน้าจะต้องอยากเจนเช่นใจไม่ชมปัถนาการเกิดมาถ้าเราทราบเราเข้าใจอย่างนั้นเราจะต้องแสวงหาคุณงามความดีเพิมเต้มอะไรที่ควรจะได้จะเป็นจะเห็นจะรู้รีบกระทำมำเพนเอามีพบชาติต่อไปอย่าให้มันอยากเจมเช้นใจไลท่ทรัพย์อัปปัญญาเกิด เป็นมนุษย์อย่างเขาจะให้มีความฝึกกว่าเขาโลกใ้ระ า, ยยาเดียบเยียนทางกาย จ, จิตใจมีปัญญาสามารถที่จะพิจารณาสิ่งต่างๆรู้เข้าใจตามเป็นจริงทำอะไรไม่ป่อยจะผิดค่ะสมหวังนี่คือคนมีปัญญามีธรรมะมีบุญมีกุศลเกิดเป็นคนก็่าใด เปรียบคนอื่นเขาเพราะเรามีสติมีปัญญากําลังทางกายกําลังทางใจแข็งแรงสมบูรณ์ไม่อับัดอับจนคนไม่มีสติปัญญาลําบากยากเย็นทุกสิ่งทุกประการไปดันั้นทันทีให้กระทาการให้ทานเป็นบุญเป็นกุศลประการหนึ่ง จึงจะทําจิตทาใจของผู้ให้ได้รับความสุขความสบายในปัจจุบันเมื่อความสุขมีในปัจจุบันทางหน้าเราจะต้องมีเห็นแล้วปลูกฝังผืกพัน์ต่างๆเอาไว้พอถึงการถึงสมัยมันก็ออ ก, กดอกออกผลของมันมีการทําบุญทุ้มทางตัวอย่างนั้นควรจิตีเ น, นื้อแนะ่นไม่ยอม ทำทำไปแล้วไม่ทราบว่ามันใจใจะเหงาใจะลวงใจตายไปหรือจะเป็นอย่างไรถ้าทําไปก็กลัวผุดพันถี่ทานั้นมันจะสิบหายไม่ทําอะไรเก็บไว้มันก็ไม่เกิดด อ, อ ก, ด ก, กดดออกผลให้คนถี่ทาไปยอมเลยกําไรมันยอมยอมดอกออกผลถ้าทำในที่ถูกที่ควรแล้วก็ยิ่งเป็นผลยิ่งใหญ่ไพศาลขึ้น ดันั้นท่านจึงสอนในการให้ทานหรือเจียายทานัางดาต บ, บังยถาดินนางมหาพลังให้ไขควรที่พเจรณาเสีย ก, ก่อนจึงกระทการไขควพเจรณาหาสถานที่หาบุคคลที่เหมาะสมเหมือนกันกับคนขี่ทำไหลทำสวนทำนา หาสถานที่เหมาะดีแล้วเลงมือทำยมได้ผล ม, มากถ้าทาได้สุมสีสุมห้าก็ไม่ค่อยเกิดผลให้เท่าไรบางแห่งบางที่ก็อาจจะไร้ผลเเลยตัวนี้มีการให้ทานกะทำนองเียวกันสุดที่เรีนได้ใยเกิดสุดที่นีหอมีตาหลักแหลมกุดทีมีปัญญาย่อมเน่เปียบควรที่ ขาดปัญญาเป็นธรรมดาศีลการรักษากายวายจาของตนนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญโรคไข้ไข้เจ็บทุกคนในปราถนาถึงจะมีสมบัติมากมายขนาดไหนถ้าโรคไข้ไข้เจ็บเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาก็ไม่มีความสุขให้อาหารมีมากเราทานไม่ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์ให้ มันมีอยู่มีอาศัยจะโรคภัยเบียดเบียนจะนั่งจะนอนสงเป็นสุขศีลเป็นเรื่องสำคัญถู่ใดรักษากายวยจาทั้งตนตามเรื่องของศีลแล้วคนนั้นเกิดมาจะไมมีโรคภัยไข้เกิดเบียดเบียนอยู่เย็นเป็นสุขมีอายุยืนมีร่างกายสวยสดงดงามจะเป็นผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตาม เป็นคนติดเสื้องา น, นมีเสน่หพูดออกไปมีคนรักใครอินดีสงสารเชื่อถือเลืม่มใสพราปากของคนนั้นเคยรักษาศีลมา ก, ก่อนทั้งสิ่พูดไปเหมือนกันแต่เขาเป็นเชื่อถือเลืม่มใสยินดีเต็มใจอยากจะฟังเคารพแต่บางคนพอคจริงขนาดไหนพูดไปแล้วก็ไม่มีใครเชื่อ เป็นไปอย่างนั้นศีลจึงเป็นเรื่องสําคัญข้อที่สองขี่ของเราท่านจะต้องประพฤฏิบัติศีลทํง่ายเพราะมันมีอยู่ขี่ตัวของตัวกายมันมีอยู่นี้ว่าจามันมีอยู่นี้ไม่มีสมบัติเข่าของเงินทองอะไรต่อตางเรารักษาได้รักษาศีลพราะมันมีอยู่ในตัวของเราเราอย่าไปเบียเดเบียนเขาขา่าเขาศีลก็ได้ คือเราก็ได้เจ้าหาไว้บอกไว้เราจะต้องทางหน้าต่างตารักษาตามฐานะหน้าที่ของเราควที่รักษาศีลได้ควรนั้นก็มีความสุขกายสุขใจและเป็นทางที่จะให้ไปสู่สุขคติสิเลแนะสุขจริยันติสิเละโฟกัสัมปทาแม้ไม่ได้ทําบุญให้ทานด้านอื่นก็ตามถ้าศีลเขาต่างหน้าต่างตารักษา บริสุทธิดๆของแล้วสมบัติภรสถานต่างๆย่อมเกิดขึ้นได้ท่านจึงอาศัยเชื่ น, นโะโพกคตัมปทาคือนำมาสิา่งโพคซัเกเช่นพระพุทธเจ้าหรืออริยะเจ้าต่างๆถ้านไม่เดยสะสมแสวงหาอะไรด้วยอำ น, นาศีลที่ท่านรักษามีคนศรัทธาเหลื่อมใสนมสิ่งนั้นสิ่งนี้มาถวายมาให้ ท่านในอดอยากอยากชวนนี่คือศีล น, นำโภคะสมบัติมาให้เหมื่อตายไปก็มีหวังสุคติ้าจิตยังไม่พ้นจากชียิตันหาและเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่พระนิพพานอีกเหมือนกันแต่จงใส่เลยน้นี้ผูติงยันติศีลไม่ว่าาราวาสแต่ว่านักบวชควรรักษาประดับกายรายจาของตัว คนที่มีศีนมีสัตว์ในตัวนั้นถึงอยู่หลางกลางตัวจะไม่เสียสดงดงามกอดตามแต่คนนั้นมีศีลมีสัตว์คนที่คบค้าสมาคมเชื่อถือเคารพเรื่อมใสอยู่ในสถานที่ดใดไม่เป็นไทยเป็นเวนมีแต่ความอยืกเย็นสุขสบาย พักส่วนควรฝึกสีเยียวข้่องได้รับความสุขความสบายเพราะสีทีทถันรักษาสีจีดเป็นเหมือนจำเป็นที่จะต้องบำเพ็ญให้เกิดให้มีสุ่นปัญญาคือการที่พิจารณาเรื่อง ต, งต่างๆให้ทราบตามเป็นจริงไม่ว่าทางโลกในว่าทางธรรม ถ้าเราที่รกที่จะไดมาปัญญาจะต้องเกิดขึ้นแต่ปัญญาจะเกิดขึ้นธรรมดาก็ต้องก่อขึ้นทำขึ้นมันจึงจะเกิดขึ้นปัญญาตามธรรมดาท่านกล่าวว่าปัญญาจะเกิดมีขึ้นได้าอาศัยเหตุตามประการคือสุปะมัยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการศึกษา เกิดขึ้นจากการสดับตับฟังอนู่เป็นปัญญาขั้นต้นสิง่งเราทุกคนที่จะรู้จะเข้าใจสิ่งนี้นสิ่งนี้ได้ก็เพราะอาศัยการศึกษาการสดับรับฟังมาพอเข้าใจอยู่เป็นปัญญาของโลกปัญญาขั้นตำจินตานิยาปัญญาี่นิพ่จรนาจินตาน เราเห็นเราได้ยินไขความพี่เรณาเกิดปัญญาขึ้นได้เป็นปัญญาแห่งการสามารถที่จะทําจิตทําใจให้เห็นก่องขวงออกไปได้ทั้งทั้งคนอื่นมันเคยและสอนแต่เราพี่เจรนาไขคิดในสิ่งนั้นปัญญาของเราจะสามารเห็นความจริงในสิ่งนั้น ใจในสิ่งนั้นตามเจริงได้ภาวนาไมยปัญญาเป็นปัญญาในการอบรมศึกษาทางใจทำจิตทำใจเั้งตนให้สงดจิตง่ายก็คือทำสมถะทำวิปัชนาือจิตของตนโดยเต็มใหญ่คนที่ไม่เคยศึกษาไม่เคยภาวนาปฏิบัติ ถึงจะมีความรู้มากขนาดไหนใจไม่มีความสงบใจไม่เคยลงลนแต่ไม่มีมมกําลังที่จะแก้ไขยุบปัญหาของตัวออกได้แต่ปัญญาด้านอืน่นสามารถที่จะและนำเขาได้สอนเขาได้แต่โลกปวดหลงค้องใจในตัวเองไม่มีทางช้าๆสิสอนเขาว่าสิ่งนั้นอะไดีสิ นีมันชั่วแต่ตัวเองแต่ยังมีขุมตัวใจของตัวอยู่ไม่เคยละเคยถอนไม่เคยแกะเคยไขยมีแต่ปัญญาทางนอกปัญญาทางในไหนนี้ภาวนาไมายะปัญญาหมายถึงปัญญาขทางในดูจิต ด, ดูใจของตัวเองว่ามันชั่วมันเสียเพราะเหตุอะไรอบลมจิตใจให้สงบ เพราะจิตใจสุ่งเึ่งอยู่ตลอดเวลาเรามาภาวนากำหนดสิ่งไดสิ่งหนึ่งทาจิตทำใจทั้งคนให้สงบเยือกเย็นเราไข่คิดที่นิพิจรารณาทางนิปัสนาคือพิจารณาถาดขันธ์ไข่รู้เห็นตามเป็นจริงในสิ่ ง, งนั้นจะถอดถอนราคาตัญหาความโลภ ของจิตของใจงจิตเราอยากได้เราตากถนาจิ่งต่างๆนานานั้นถ้าหากเราพิจารณาธาตุขันธนะ์ด้วยความเป็นอจเป็นธรรมด้วยวิปัสสนาเห็นว่าธาตุขันธ์อันนี้มันเป็นของคือไหม่ิรังอย่างยิ่ถึงเรารักให้ ชอบใจขนาดไหนเราตาดถนะอยากจะให้มันยืนยงคงอยู่มันก็แปรเปลี่ยนไปมันเป็นตามหน้าที่ของมันอยู่อย่างนั้นแต่ไหนแต่ไรมาไม่มีใครสนปาดถนะให้ขาดทันอันนี้มันเป็นอนิจจังของมันอยู่ตลอดเลยละไม่คงเป้นคงว่า บอกไปนอนสอนไม่ได้เป็นอนาาัตตาคนรักอะไรตัวหนึเท่ารักตัวของตัวรักถ่านรักขันของตัวแล้วหาตัวเพื่อเอามาบำรุงร่างกายบำรุงาถาดขันอันนี้ถ้าาดขันอันนี้ไม่มีสมบัติชัดสถานเท่าของของัอนนั้นแต่ไม่มีความหมายเมื่อพิจารณ า, าถาดขัน ให้ทราบตามเป็นจียงของมันแล้วหยุดใจเบื่อห น, หน่ายคลายกำหนัดถอนความยึดถือในขาดในขันออกไปได้ความโลภมันจะโลภอยากอะไรอีกเพราะเรื่องถาบขันมันกระละสถอนของมันแล้วราคะความกำหนัดยินดีอย่างนั้นอย่างนี้ถาตุที่เจอนะเรื่องของถาตุขันให้ทราบ ตามเป็นเพียงข้องมันมันจะเกิดมาจากที่ไหนถาดขันอันนี้ประกอบไปด้วยอะไรมันทาบโอ้จะะักแใจเราโยกเท่านั้นถ่าจะพิจารณาว่าเป็นเรื่องอายุพากอายุพังมันก็แสดงดีทุกระยะเวลาไม่มีอะไรสวยสดงดงามให้ทำมจิตใจจึงไปหลุ่มเตยหลงจิตใจจึงไปตำหนักยินดี ของอันนี้มันโผลกระโปกของอันนี้มันเล่ามันเหนนยิมังฟูติกายจังกายมันเป็นของเล่าของบูกของเหนนของปฏิกูลแต่เราเป็นไสยศาบตามเป็นจริงเพราะไม่มีปัญญาไม่มีวิปัจนายนจึงรุ่งเหรืองเกิดความกันหนักยินดีอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นนี่คือปัญญาเกิดขึ้นจากภาวนานั้นสามารถ ฟาดซันตัดขาดจากกิเลสตันหาจากเรื่องของโอย่าเห็นจะเข้าใจในตัวของตัวเองถ้าไม่เห็นไม่เต็มในตัวของตัวเองมันก่อเคร่งสายอยู่เรื่อยไปแต่นั่นการปฏิบัติใจการภาวนาการละกิเลสยึ่งต้องพิจารณาเข้ามาภายในดูภายในของตัวว่ามันชั่วมันดีอย่างไร เพื่อที่ปฏิบัติใจละเอียดเข้าไปท่านจะต้องทราบอะไรที่เคยเป็นพิษเป็นภยัยเป็นข่าสุดแก่ใจอันนั้นมันชอบมันยินดีเราจะทดสอบดูว่าจิตของเราต ก, ากพิษแทงไปอย่างไรจะคงเส้นคงวาหรือไม่จะมีอากาปจินิยาอยู่อย่างไรเพราะเราเข้าใจว่าตัวของเราละเอียดตัวของเราหมด เกิดจากกิเลสสิ่งใดที่มันเป็นข้าศึกศัตรูของใจแต่เก่าก่อนมาเราจะเอาสิ่งนั้นมาโยยยืดดูว่าจิตใจมันจะเพีกแเพงตัอย่างไรมันตายจริงรู้ไม่ถ้าจะต้องทดสอบต้องทันดูนี่ในขั้นทดสอบเมื่อยังมีขั้นทดสอบอยู่ก็คือยังไม่กินใจยังไม่เชื่อว่ามัน เป็นอย่างไรแน่นอนจึงคอยทดสอบต้องทดสอบไปอย่างนั้นเสียก่อนจนไปถึงปัญญาละกหะจากจิตเหลหมดทุกสิ่งทุกอย่างไปปัญญาก็ไม่ใช่สุบวิสุ ด, สดเป็นมรคชื่อสมาี่ปัญญาเป็นมร์ไม่ใช่เป็นผลผลที่เราที่แจนานั้น เราเห็นไปจากชัดเจนแล้วตามากนั่นมาถึงนี้เมื่อเวลาถึงนี้สมมติมาถึงนี้พื้นที่เหมือนี้คืออะไรแจะมีอะไรเป็นอากาศจีรีย์มีอาการไปมาอย่างไรอีกทราบดีที่ีเห็นที่เป็นอ่างนั้ น, น, นทา่านจะมีทางสคลื่อนไส่อยาจะมีทบชาติอีกไหมจะมีอะไรฮนะจะมีอะไรบรรเทนอีก มันหมดไม่ีอะไรที่จะสงสัยในจิตใจของท่านแต่ยังสงสัยอยู่อยากไปนอนใจตายใจ้าหาเห็นข้อจเห็นมีมุเนใจมมันหดอยากเสีขงกมันหมดามันเป็นอารจิยาสนึ่คือใจของท่านฝึกปฏิบัต ทางธรรมะทางวิปัสสนาเรื่อ็นตามเป็นจริงในเด็กหรือเป่ามันว่างว่างของจิตมันมีเวลาเราจะไปปฏิบัติพิจารณาอย่างนั้นอย่างนี้ไปจิตมันว่างกำหนดอะไรก็ว่างแต่ความว่างของจิตนั้นเราใช่มันหลบมันพ้นมันยังติตอยู่ได้แค่ว่างของมัน ทำจนเป็นอย่างละเอียดบางขันบางเออแต่ถอว่าความว่างนั่นแหละจนนิพพานเพอดยยิ้เขียนเป็นตลอดกาลนะสิหนูคือคนที่ประเภทปฏิบัติไปถึงขันนั้นเข้าใจอันนั้นแบบเป็นความบริสุทธิ์ไปถึงขันนั้นเลื่องขันนั้นแบบบริสุทธิ์ไปความจริงบริสุทธิ์ เดีการที่นี้ท่ใจนาเดยกันฝึกเอวจิตใจนั้นจะต้องทราบเขาเดินอยู่ในจุดใดระยะใดพอเราเดินผ่านไปก่อนแล้วจุดนั้นเป็นอยนั้นจุดนี้เป็นอย่างนี้ถึงควรจะเลี้ยงสายจำพัญผิดใส่หมดใสหมดเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนั่นจะมีอะไร เฉสายในจุดในใจจะเข้มดว่าอะไรเขมงวดไปยังก่อเขมงวดวินมดไปยังวิมุ ด, มดจะไปหาอะไรเห็นแล้วจะไปอยากอะไรอิ่มแล้วมันจึงหมดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างไปใจ้องผ่านจึงบริสุทธิ์อยู่ทุกเวลาจะออกจะเข้านั่นมันเป็นอากัดจินริยา เป็นเกิยอยู่ของใจเป็นวิหารธรรมของพารียเจ้ า, จาแต่ความบริสุทธินั้นและมีออกไมเข้าไม่มีไปไม่มีมาบริสุทธิอยู่ตลอดเวลานับแต่บันรู้ไม่มี อ, อไะไรที่จะละจะบำเพ็อีกในความบริสุทธิ์นั้นทราบดี พอเราเห็นเราเปลี่ยนในตัวให้เราเอาคุณแจ่าเป็นอย่างไรสาวก็เป็นอย่างไรมีอะไรที่จะสงสัยได้แต่ตตาถามคนอีกไหมว่าสิ่งนี้นันได้รู้สุดหรือไม่ถ้ามันยังาสงสัยอยู่อย่างนั้นมันจะไม่ได้รู้สุดถ้ามันได้รู้สุกจริงแล้วไม่มีอะไรที่จะสงสัยจะแตาถามคนอีกได้ถ า, ถามพวกเจะตอบคําเดียวกันฉัดเขา แไม่อแรกต่จะไปทดสอบจิตใจของคนอื่นว่าอยู่ในขั้นไหนเข <c oughs> าปฏิบัติามาเขาอยู่ในขั้นใดเขาเป็นอย่างไรแต่เรื่องจะ ไ, ไปถามเพื่อจะใสคนอื่นรับรองให้แต่บริสุทธิ์อย่างนั้นอย่างนี้ใครจะรับรองไม่ได้รับรองมันรับรองมันเองความบริสุทธิ์นั้นนั่นเลยมีอะไรที่จะยาก ที่จะถามมันจะหมดปัญหาตายแล้วอยู่กว่ามนี่ปัญหาอยู่ไปอยู่เหมือนอยู่แสนีวิกว่าเดมีอะไรคือจะดีจะวิเิด อ, อีกตายไปวันนี้ก็จะมีอะไรคือจะเสียหายนี่คือการภาวนาละชีวิตการทำจิตทำใจทั้งตนให้หมดสุดคน่นนั้นจึงเป็นหน้าอาัศจรรย์ เป็นสะะนะาระของเลกไนดะ้เป็นสาละนะข้งตัวได้ที่จะเห็นจะเจ็บด่บงนะั้นไม่ใช่ว่าตายไปที่จะเห็นจะเจ็บห็นอยู่ในปัจจุบันในการจะพิจารณปฏิบัติของตัวแต่นั้นเราทุกคนเกิดมามีชามตายนนะเป็นเบื้องหน่าเราได้ละ ยีเหลัหาก็ได้แข่ไหนมีผลการอะไรในชีวิตบ้างหรือไม่ไมล้วตายไปเราจะไปสู่จุดใดพบขาดของเราเราดยเกิดตาพิจารณาได้ไหมหรือจะหลับตาไปเราจะมันจะไดเปิดที่ไหนจะเดินอะไรแบบนั้นมันผิดส่องที่ น, น, นิติจารมาแสวงใจอะไรยังไหนเป็นไนเห็นไหนรู้ยังไห่ดูไหนเดินลีบทะทาบาเพ็ญ ให้ได้ให้ถึงให้มีในตัวเมื่อตายไปจจะผลยั้งให้แล่เราตายไปนอนไปไม่ทำอะไรจะอยากจะดีเพราะาตต่อไปเขาจมีความสุขความปรารถนาอย่างนั้นไม่เคยสำเร็จผลผลให้แต่คนปรารถนา เราอยากเจออะไทุกคนนั่นแหละจะมาแสยะหาเส้น no บ yeah. ัตรมันเรื่อยไหมล่ะเราอยากจะอิ่มใทานอาหารมันอิ่มไหมเราอยากจะถือแต่ม่เดินไปหาจุดหมายปลายทางปลายทางมันกลับมาหาเราไหมต้องหาเหยื่อฝนสอนใจต้องไขชิดที่เจริาต่างหน้าต่างตาบเทนคุณความดูเรื่อยไปจุดหมายปลายทางสือ เราเคยรู้เคยเห็นมา ก, ก่อนแบบมันเป็นอย่างไรชาตมันเกิดกับใจแา้ว ม, มีทางสงสธรรมะเป็นสามที่ติดต่อเหนเองธรรมะเป็นสัจจตังรู้เฉพาะรู้แต่ทำบำเพ็ญอย่าไปตายใจนอนใจอย่าไปคิดว่ามันเหลือวิสัยหรือเราอาภาพอวราสนา ไม่มีทางคิดจะละที่เลือดปัญหาได้นั่นมันเป็นเรื่องของมามาจากจิตใจทาให้เราอ่อนแอเลวไหลเราอยากทาความภาคความเที่ยงเราอยากตั้งใจทำลายที่เลือดปัญหาถือว่าอำนาจวาสนายังไม่มีแต่เรื่องที่เลือดปัญหามานัดุกธิทาไมมันสะสมมอได้เร่งมากคือจแก้จุดเดือปัญหาของใจ ทำไมเราไม่ไมีรกนนะากฐานที่นี้พี่แจเลย น, นะ <c oughs> ลงมือตอะกอบขมผักความเพียรถอยไปแย่ไปตายใจว่าเราอาภัพอาวาสนานะเราเป็นคนเหมือกนกันกับคนอื่นเรามีหางมีเขาเป็นมนุษธรรมดาสามาที่จะไปเพื่อประจุดักรักษาก า, ายใจใจใจบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญา เราเกิวิชา้ิมุดได้สอนใจของตัวดังนั้นสิ่งที่เชื่อที่เชืต่างๆนานาที่พระพุทธเจ้าสอนไว้จาไปทำสิ่งได้ที่พระพุทธเจ้าสอนให้กระทารื่เรื่องกระทำให้นันเจนมันเห็นมันรู้ในจิตในใจธรรมะเป็นของที่มีคุณ่าธรรมะเป็นของจำเป็น ต่อชีวิตของมนุษย์เกิดขึ้นปฏิบัติธรรมนะจต่องมีความสุขความสบายในตัวของตัวทั้งวัตถุของของภาชนะหนึ่งมากไม้ไก่ฟองตั้ตาจิตใจของนจะต้องต่สายจิตใจของฉันจะต้องสงบสุขตัวของตัวเอื้องมาโดยธรรมีตัวของตัวปลุกเร้าไปพิจารมาแลวแต่งแลเสร mine, blood, ิม นคือธรร ม, มะดต่ังนา่างต า, ารประเภทปฏิบัติรักษาได้รับความสุขความส บ, บายในปฏิบันทานตาทางหน้าก็มีทางแสงใสขอทุกท่านจป็นําไปที่นี้พิจนาศึกษาดิจังนา่าตงตาประเภทปฏิบัติขอทุกคนมีสติที่จะประเภทปฏิบัติได้แปลว่าแปลว่าเหนือดังเหอดืยเยี่ยวเย่ใช ไมผู้กายจะคิดทำทานอาหารกันเลยนีไปนักเดือดอะไลยมีใจผู้ชายผู้หญิงจะนี้มีอาชีพทาได้ละได้ปพตปฏิบัติได้ทั้งหญิงทั้งชายเดือกันพืคนน้าเรามีจิตแต่ไปนอนหลับทับสิตให้หยุดประพฤตตปฏิบัติถึงใดงเส้นได้เส้น จนจนนไปหุดกาะทาบําเทิงแผ่ควารู้แต่ละตงาที่นี่ที่าั่นนะลงมือปฏิบัติอย่างนั้นการเกิดมาจะมีกำาไรในชีวิตของตัวคือจะได้ความสุขความสบายถึงจุดเดือปัญหายังล่าในขาดปัญ สุดปรสสด ะ, ะรบมมสบชาติทางหน้าจะจะมีเพราะระไรกต่ทำมันเปคุณความดีเอาไว้ขอทุกคนจงนำไปที่จิตเวาศึกษาทางหน้าปฏิบัติจงไปจะจะมีความสุขความเจริญการอธิบัติธรรมนี้เราพอทุกคนทีกเวลาขออยู่ติดเพี่นี้นน